สบายนะเรื่อการน่งแบบนี้มันสบายกายสบายจิตถ้ามีเวลาเกิดปวดเจ็บขึ้นมาพี่เจนนะแล้วก็เมื่อว่าฐานนี้อะมันสป็นสบายถฐานอื่นสู้านนี้ไม่ได้เลยนะที่มันเจ็บขึ้นปวดขึ้นมาจากที่ไหน แต่เอามันมาแเมื่เวลาเรานัง่งบุญตนเข้ามาอย่างนี้เวทนาส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องมันเกิดขึ้นจากอะไรเจริญนาให้เกิดสติปัญญาจากการเกิดการปวดของตัวอธิเจริญนาดูความเกิบปวดที่เกิ ด, ข, กววดกขึ้นจากตัวของเราอย่านี้ ไถือมาให้มันเกิดขึ้นได้ถ้าผมมีเวลาหายไปมใ่เนจก็บตังอยู่เรือยไปสู่คนที่นี่พิจะะารณารู้เหตุเห็นผลจริงจังถึงเวทนาจะยังอยู่ในกายจิตต็ไม่เกี่ยวข้องในอุบายทีจิตเวทนาเพราะอยากแยกจากเวทนาได้อีกอย่างก็จิตรวมรวม ยึดเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเวทนาก็หายไปเชื่อมันแบ่จิงใดมีการเกิดสิ่งนั้นจะต้องมีการแด่ควนแล้วก็แตกดับไปตามธรรมชาติของมันเวลามันปวดหนักจิตใจมันปรุงปรุงไปส่วนอื่นจะต้องยึดหน่วงในเวทนามันปวดอย่างนั้นมันเจ็บอย่างมันจะขาดจะแตกอยู่ในเรื่องต้องการเจ็บความปวดของตัวท่เจริญอะไรมันปวด หนังหรือเนื้อเอ็หนหรือกระดูกหรือที่ไหนกำหนดแท่งจิ่มันปวดหามาเข่าหมาดเท้าจิตของเราแยกออกจากเวทนาได้หรือไม่อย่างนั้นถรวมลงไปเวทนาตัวนั้นก็หายคาะเป็นอุบายปัญญาแล้วก็ป้าหารเวทนาเกิดขึ้นมาที่หลังเราจะต้องมีการต่อสู้ เราใช้นะจิตใจีต่สอสูเนะ้เวทนาในการานั่งภาวนาะรู้สึกว่าได้กําลังดีกว่าจิตใจรวมธรรมดาพอเราสู้กับขาสึกได้ชนะขาสึกรู้สึกว่าจิตใจหูงเด่นขึ้นไปรวมธรรมดาที่มนมีเวทนาะอีกเป็นอย่าง้าสูกกนะ้ก็เวทนาเป็นไปอีกอย่างเด็กพวกจิตเดี๋ยวก็ต้องสู้นี้ทุกคนอเอาเวทนาะ ทำทุกข์เจ็บปวดต่างๆถ้ า, าหากเรามีปัญญาในที่เจริญนาตอนเราป่วยหนักเจ็บหนักเราก็มีปัญญ า, า, า, า, ญญาที่จะพิจรารณาแยกแยะเรศนาออกจากใจแต่ถ่าอบอกเรศนาเป็นเราเราเป็นเวศนาเรศนามีในเราเรามีในเรทนาหมดเลยเป็นทุกข์กันใหญ่ต่างคนต้องมีการต่อสู้อยากจะดทดต่อกําลังจิตใจของตัวเรศนาหรือ แย่เวนาก็จะรู้จักสู่ได้มันจะเกิดขึ้นมาขนาดไหนในอนาคตตอนเราจะทำต่อไปแต่เราได้กาลังจากการต่อสู้แล้วก็มีจิตใจเข็งแขรงเคยเห็นเคยเป็นเคยสู้ได้ใจชนะก็อยากจะสู้ไม่ทอดถอยคนจิตภาวนาไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้ จิตใจมันอยู่ปรุงปุ่งต่างๆโดยมาพอไปโดนเวทานาเก็บดปวดนิดๆหน่อยๆเขาก็นั่งานานาเขาต้องควรแล้วปวดเลือกเปลี่ยนที่ปวดใหม่จช่ไหมแบบนั้นจิใตใจก็เลยเคยตัวพอนั่งไปนิดๆหน่อยๆไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงพ็รู้สึกเก็บดปวดขึ้นดรลบเอาลนะวันใหม่เอาเอาอีกมาอย่าแก่ตัวไปแบบนี้ ก็เลยไม่มีเวลาผ่านเวทนาจิตใจก็เลยไม่กล้าเวทนาเป็นหินรับของกิจปฏิบัติท่นเคยปฏิบัติมาท่านเคยได้ปัญญาได้ความรู้ได้ความมีความเด่นจากเวทนานับไปทั่วเราทุกคนนี้ใจไม่มีเวทนาสาานัญญาตั้งศาลวิญญาณมันมี มาอย่างนั้นคันตั้งห้าก็ไม่พบมันเป็นอุบายต่อถูกเวทนาจะอย่าไปกําหนดให้มันเกิดอจะกําหนดให้มันดับมันจะเกิดกอนมันเกิดขึ้นเรื่องของมันมันจะดับก่อนจะไปขับไล่มันถึงเวลามันพอตัวในเรื่องของจิตมันจะเห็นเองจะรวมเองอย่างเงี้ย กันออกได้เกี่ยวกับเรื่องของเสียงอย่างก้อง <c oughs> เราไม่ตีมันไม่ดังเราไปตีมันต้งองการดังเสียงก็ไม่ใช่ก้องไม่ใช่คนผูไปตีเป็นอีกอันหนึ่งเรื่องขาดแ ข, น, ขนที่วาเรศนาก็เหมือนกันไม่ใช่เราไม่ใช่รูปไม่ใช่จิตเป็นอันหนึ่งต่างหากซึ่แฝงอยู่ในจิตในรูป ในใจเห็นประจกักษ์ม่ใช่พูดเล่นไม่ใช่ปิบัติมาคูอเห็นอย่างนั้นจึงกล้าวาดทายว่าเรืี่ยมทองเวทนาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนาเป็นเรื่องผิดเห็นประจกักษ์ชัดเจนในจิตในใจบายการยานาธรรมะธาตาุเรา ที่าจะริญนาจริงจังจิตใจจะเห็นจะรู้จนละจนถอนในความผิดข้องยุดถือส่วนนั้นถ้าหากเราทำเล่นๆผลจะเกิดจะเป็นสัเตียงนิดๆในหน่อยดังนั้นพระพุทธดดเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ต้องสู้พยามารอะไรมารยิเรสมารขันธ์มาน พรวพี่สังข า, ม า, ารมานเอวุตตมานมัจุมมานมานเหล่านี้ไม่ใช่มีอยู่ที่อื่นที่เรียกตคือความไข่ของใจไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆทำไข่ของใจที่ปุ่งปุงไปอย่างนั้นไม่ทำจิตทำใจให้สงบสงบไข่ปุุงไปเท่าไรก็เกิดความ กำเนัดยินยีเกิดความเพลิดเพลินเกิดความลุ่มหลงมัวเมาไปเท่านั้นเหตุนั้นทางธรรมะทันจริงว่าเป็นนิวรือเป็นเครื่องกั้นไม่ให้จิตสงบลงรวมไม่ให้เห็นอัดเห็นธรรมต้องกำจัดออกไปความคิดความปรุงส่วนนั้นอย่างกิเลสมา อย่าให้มันผ่านอย่ามให้เป็นเจ้าจิตเจ้าใจของเราขับไล่ออกไปขันข้ามานก็คือความยึดขันยึดตูกยึดสุ ก, ก, กๆุกต่างๆอยู่เวคนามีความหมายกายเป็นเราเราเป็นตายอย่าสัญญาต้อปุงปุงภายในใจ อย่างสังขารความรู้ว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายอย่างวิญญาณขันธ์ธมะอาคิยศหรือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์การปฏิบัติมันก็ไม่สะดวกมันเป็นอะไรขึ้นเราเป็นเห็นอะไรเท่ากับเราเห็นคนที่สุดก็เลย สิ่งที่ควนพวัวกับพัวสิ่งที่ควนยึดกยด็ยึดจิตไม่เป็นกลางกวางรื่อของขันในดัำมันเป็นอย่างนั้นก็เรียอขันธรามะคือมันมาลบกวนจิตใจไม่ให้ต่อสู่อัดทำจริงจังมัจุมานก็คือความพัวเรื่องตายเราเจ็บเราปวดล้วเหน็บเราเหนียอย่างนั้นอย่างนี้ ตัวจะจายมันมีเมื่อทำไปมานทั้งหา้างดีวะมันมาชวนจิตชวนใจของเราให้หลุมหลงมาอะไรเกิดขึ้นก็สั่งมันจะต่อสู้เกดขันติบาลมีวิยาบารามีทานบารามีเราเคยสละให้ทานสักทีไหมหลางกายของเรา ไม่เคยวัตถุอันอื่นแล้วเคยแล้วเคยได้บูชาไหมอย่างใจวาใจบูชาพระรัตนใจบูชาสวนดอกไม้ถูกเคียนเคยบูชามาแต่เราจะเสียสละเลีเ้ยงตายอย่างไรกูจะเอาตายอันนี้ตั้งบูชาพระรัตนใจอัดทําส่วนใดที่ควรเดี๋ยรู้จะเห็นทำไหนรู้ไม่เห็นกูจะเอาตายอันนี้เป็นเครื่องประกันมันจะตายในเมืม่อไรให้มันตายไป มันจะแตกไปที่ไหนให้มันแตกไปในใจของนักรบจริงๆเป็นอย่างนั้นไม่ทอดผอยทีนี้พิจารณาอย่างหนักแน่นเวลาจิตใจมันผุ่งฟูงงมันยึดถือต่างๆหากเราเสียสละได้จริงจังอย่างนั้นอนาจทำที่สันพูดไว้จะเห็นไปจากในใจ คนติดกลัวตายอนี้ตายไม่ได้พอาะกลัวจนไม่มีการต่อสู้จเจ้าใาจชนะจัดตายไม่เคยมีอะไรมันตายอะไรมันเหลืออยู่สู้กันจริงๆจังๆจะต้องเห็นเด่นขึ้นจริงๆเราหวาดตายเราก็พิแารนาแยบคลายลงไปอะไรมันตางตายนี้ก็เป็นธาตุผสมต่างหากดินน้ำไฟลมมันก็จะไปตาม ขาดของมันแล้วจิตที่ไปยึดมั่นเกี่ยวข้องเราก็เห็นมันเป็นมันตายอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นก็เชื่อมันอ่นว่าไม่มีอะไรตายนี่แต่สมมุติไายหนอกจิตเขาถือกันไหวต่างแต่ความจริงไม่มีอะไรตายยังคงอยู่ตามเรื่องแต่มันแยกออกไปเป็นตามขาดของมันเท่านั้นต่อใจชัดเจนเห็นไปจับ คนที่ดูจนดูจนเห็นจนผ่านคนไปได้คนนั่นแหละเป็นหลูกศิ์ของพูดใุทธเจ้าสู่จริงๆทานแบบนี้เรียกประวัติขับตารามีคือทานยิ่งทานยอดทาคนในห่วงตายแราไม่มีอะไรจจกลัวโลกอันนี้กลัวก็คือกลัวกลัวจะตายถ้าเสียสละให้ทานได้อย่างนี้ ตายมันจะเกิดขึ้นมาจากจีไหนก็นให้มันไปสู่จนถึงจีดถึงขัน้นอะไรตายอะไรเหลืออยู่งูเห็นประจักชัดเจนในตัวในการจตะทําข้างตัวพระพุทธเจ้าสู่แบบนั้นแันเชิงว่ามีนางธรณีมาช่วยเหลือพอทัาแ ล, ะ ล, ะ ล, ะละ้วลึกถึงการหนังของ่ันเมืองตน ว่าเรานั่งเวลานี้คราวนี้เป็นคราวสุดท้ายถ้าหากไปเลยแตสรู้มืออะไรความดีเด่นคนกิเลสไม่มีจะไม่นีจจักที่เลือดเนื่อในตัวมันจะเหี่ยวแห้งไปเหลือแต่กระดูกปวดตามตี่ความดีไม่เกิดเจนเกิดขึ้นจะไม่ยอมลูกจากที่เพรเกิดความเหน็ดเหนื่อยเจ็บปวดขึ้นมาเหลือพยาบาล มาลบเอาบรรลังหรือทีหนังท่องทันคนเราโดยมากที่มาเห็นทุกประจักษ์ชัดเจนตัวเพระอดีบตบททั้งสี่ปกปิดเอาไว้นั่งนานๆเพราเป็นทุกหน่อยนี้ไปเดินเยอะเดินนานๆผมเห น, นื่อยผมมานั่งเยอะอดีตบททั้งสี่ปิดเอาไว้ที่มาเห็นทุกประ จ, กจักษ์ชัดเจถ้าหากเรานั่งนานๆแล้วยืนนานๆจะเห็นก่อนทุกกายอั น, น เป็นทุกข์จริงๆอย่างเพราะจิตยึดจิตถือถ้าจิตเห็นจิตรู้เรื่องทุกข์เหลาที่เรณาทุกข์ให้เห็นเป็นทุกข์ให้เป็นเราให่เป็นของเรามันเกิดขึ้นมาจากอะไรความทุกข์เกิดขึ้นมาจากความอยากของใจไม่เกิดขึ้นมาจากจิตอื่นเจรณาความอยากเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์เดี๋ยวพิจาริญนาสมุทัยจิตใจเมื่อเห็น เด่นชัดนั่ก็ปล่อยว่างเหยกนี้โลกคือความผลทุกข์ทั้งทั้งกิตกายมีจิตนี่อยู่แต่ทุกไม่มีในความรู้ของบุคคลผู้ฝึกฝนตู้เห็นอย่างนั้นดังเียกว่านี้โลกการฝึกก็ไม่ใช่คนอื่นจะมาฝึกให้แยนาต่อสู้จริงจริงจังๆจะงเห็นในเรือวิสัย จิตใจดีเด่นเป็นสุขแล้วผมไม่มีการติดข้อเพราะเรื่องของกายตัวเองผมไม่ติดข้อเรื่องสมบัติภายนอกจะไปห่วงใหญ่อะไรทําไมเพราะพิจารณาเรื่องของกายหยาบคายแล้วความยึดส่วนใหญ่ของวิญญาณเรื่องของกายทั้งจ่าท่านก็สอนให้พิจารณาเรื่องของกายล้มก็ล้มเรื่องของกายความสมมติบรรหมายต่างๆ ท่าิโมทโอาไวเราพิจารณากายอยากทายพิจารณาทุกให้เห็นตามเป็นจริงละความอยากของผิดผิดติดยึดต่างๆโดยอุบายปัญญานั่นก็หมดปัญหาเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องสั้นๆจะมีความสุขวิเศษประเสริฐยิ่งกว่าความสุขส่วนตัวแย่พวกเราทุกคนเกิดมา ก็ไม่คอยได้ดิดี่ยวใเจรนาธรรมอุบายที่จะทับอกติดใจก็ไม่คอยเดยินไปมาพูดติตใจก็เลยหลุมหลงไปตามลมปากของคนอื่นบตตามกิเลนต์ันหาตัวเองบงัตก็เลยไม่มีทางจต่ที่นี้ทีเจรนาเหตุ น, นั้นจริงถือว่าการภาวนาเป็นของยาก ตามจริงถ้าหากมันยากก็ไม่มีใครที่จะผ่านค้นไปได้ถึงยากถึงลำบากก็ไม่เลือวิสัยจะทำได้ยังมีเราก็คนคนหนึ่งจึงเกิดมาในโลกสมควรที่จะทำได้อย่างคนอื่นสอนตัวเองให้บากบัน่นพยายามตามรักษาจิตเรียดปัญหาจิต หมุนหัวใจให้เฝ้าฝันรักใครยินดีชอบใจขอบพี่เจน้าเรื่องของกายอีกกำหนดดูทุกสิ่นทุกส่วนอะไรมันสคยสดงดงามอะไรมันเป็นสิ่งที่น่าหยุดน่าชมอะไรที่มันหอมหวนมันไม่มีในเนือ้อในกายของมนุษย์ที่เขาสมมติว่าเป็นหญิงเป็นชายแต่เราลุ่มหลงกันเพราะคนนั้น ว่าสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้แน่ที่เจารณาตามความจริงของมันถ้าที่เจรณาตามความจริงของมันมันก็หายไปเหมือนมื่ออยู่จีตใดเอาไฟเข้าไปส่องฝ่ามือก็หายไปปัญญาธรรมะของหลวงพ่อเจ๋วของเงอนไฟธัมโมปะฏิโปซอนเข้าไปมันสงสัยอะไรมันเป็นจริงอย่างไรจะให้สราบทั้งภายในใจของเราอยู่บาย สิ่ิที่เจราณญนาจะไถ่พิเรตัญหาความติดข่องของใจหากไม่ตั้งใจที่นี้ิจรารณาเอาธรรมะขา่าทักลอกหรือสองทางแล้วก็นาคฟันจะลุ่มหลงคุนมัวปกประปกเรื่องของจิตใจเป็นอย่างนั้นจึงไม่มีใครที่พระพุทธเจ้าจะไม่รัสรู้จะออกจากโลกได้จะเห็นใครในการเกิดการตาย ถึงเห็นก็ไม่มีทางที่จะออกได้โดยจิดปรุงปุ่มไปต่างๆและที่ศาสนาจึงเกิดขึ้นหลายอย่างหลายอันเพาะความสงสัยลังเลในใจว่า น, นั้นจะถูกอันนี้จะผิดคิดเอาไม่เห็นเห็งรูแจงเหมือนพุทธเจ้าพุทธศาสตรสนาคือคำสอนของผู้รู้ท่านรู้ท่านเห็น ทันดีทันเด่นจริงๆไม่ใช่ท่านโกหกพ้อลมปูดอะไรรุนจะเห็นด้วยใจจริงจังไม่ใช่ขาดทะเนนหรือสุ่มเดาคำนวณเอาแล้ก็ใชจากส่วรู้เห็นดีเด่นอย่างนั้นถึงหน้ากลาบหน้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านสอนมาที่เราสงสัยลังเลใจหรือไม่เชื่อพอเพิ่ความเห็นความเป็นของเรายังไม่ถึงขั้นของท่านแต่ถึงขั้นของท่าน จะกล่าวว่ายอยู่ทุกวันทุกเวลาหรือว่าทาสอนของท่านท่านรู้จริงพอเราฝึเพื่อปฏิบัติเห็นเข้าไปเทลายก่กใจก็ยิงเชื่อยิ่งเหลื่อมใสยิ่งดึงดูดเข้าไปถูอธรรมะท่องท่านสิแสดงเอาไว้ขวกเราทุกคนมีมุ่งมั่นมาฝึกปฏิบัติผรีจะทําบําเพ็ญ เหรู้ให้เห็นเพราะความตายแต่บาทหญิงสาตายว่าทั้งบ า, า, า, า, าเนีนว่าเด็กว่าหนุ่มสาวรือเท่าแก่มีประจําตัวอยู่ผมเคยรู้อีกว่ามันจะมาถึงเราเมื่ อ, อไรอยู่ดีๆตายไปผมเคยเห็นบ้างผ่านบางคนแบบคนนั่งแก่แล้วคงจะตายไปก่อนความนึกคิดขาดสันคิดอย่างนั้นแต่ความจริงเราผู้คิดตายไปก่อนเขาก็นับไม่ได้ มันมีเจ็ดนั้นจริงหม่ควรนอนใจหยดฤีธิตตามเป็นอยู่ปทีิพืปฏิบัติอาจทำให้เห็นสิ่งที่ดีเด่นจริงจังสิ่งที่ในใต้คืออะไรแล้วยึดถือจิตควงกับอะไรจิตในใจของตัวชาระซักเออ่กไปจนจิตใจบริสุทธิ์ จนหลุดออกจากสมมติเช้นเด่นชัดมาจากชัดเจนไม่ใช่คำหนึ่งหรือสุ่มเดาคำรู้จีหลุดลอยออกไปอย่างนั้นสมมติถั่วไปเลือดจับจีรยา่าทีภายนอกเป็นอย่างไรมันเกี่ยวข้องกันไหมจะทำให้ความบริสุทธิ์นั้นเสื่อมเสียไปได้หรือไม่ มันไม่มีอะไรผิดอย่างท้องไส้จะประพฤติปฏิบัติไปอีกขนาดไหนความบริ ส, สุทธิ์ส่วนนั้นจะยิ่เด่นขึ้นอีกหรือไม่ก็ไม่มีทางท้องไส้อีกจึงหมดปัญหาสําหรับการประพฤติปฏิบัติแต่การ <c oughs> ประพฤติปฏิบัติเพื่อละ ถ, ถอนหมดปัญหาแต่ประพฤติปฏิบัติเป็นนิหารธรรมคือความเป็นอยู่สบายของกายและจิตที่ยังมีธานุมีขันธ์อยู่ขันธ์กทําไปยังมีการเข้า สมาธิสมาบัติในคลังพุท ธ, ธการอรหัสตอรหันต์ในใส่ส่านหมดส ม, มุิเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วจะทำอะไรทำไปถ้าก็มีขอบเขตของทารวินัยอีกเหมือนกันใะทำสุ่ม4ี่สุ่มหรู้จักการจากเวลาสถานที่บุคคลมีประมาณส่วนร่าง ก, กายทั้งฐานของพวกเราเหมือนส่องใช้ ้ายหนอกใช่ไหมมีประมาณมันก็เสียง่ายรถเรี่ยนเหมือนกันเสือ่าเหมือนกันใช่ไหมมีประมาณขาดง่ายเสียง่ายเงินทองของเราผ็เหมือนกันใช่ยจในมีประมาณก็หมดง่ายสีสังขาร่างกายของพวกเราผ็เหมือนกันต้องมีประมาณพอสมควรต้องรู้จักรักษา หลังาจจึงจะอยู่ไปได้ตามสติวิสัยของมันไม่อย่างนั้นก็เสียหายไปง่ายแต่ถ้าเราจะห่วงแต่เรื่องของกายเราควรถนอมรักษาแะ่ถูกพิจณปฏิบัติจริงจริงจังจังจะเอาอัดเอาทำให้เห็นเด่นขึ้นยังห่วงกายก็ไปไม่ได้ให้ไปถึงเสียก่อนที่เราต้องการแล้วจะ ปฏิบัติตามเหลื่อมข้องตายถูกต้องดีาหากเรายังห่วงเหลื่อมข้องตใจมมันจะเป็นจะตายอย่างนั้นอย่างนี้ตัวจะพวกข์จอยากจะลําบากลำคานาหากรวมหายตายไปตวัวจะไม่ได้ความดีวิเศษทางคิดตรุงอย่างนี้อยู่ผมเป็นอุปจิเลสเป็นเครื่องขัดขอ้อทางผมพิจารณาปฏิบัติฉะนั้นเมื่อเรายังไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้ ละต่อสู้จริงจังทำจิตทําใจให้แน่นนาะปัสขังเหมือนนางพลเรืนีคือแผ่นดินเขาจะตำหนิติชมอย่างไรเขาจะขุดจะเผาแผ่นดินไม่เคยมีการบั่นไหไม่เคยชมคนนั้นว่าเอาเราไปปั่นเป็นเจดีเ์หรือวัตถุศักลิาวิทธไม่เคยตำหนิคนนั้นว่าไปเผาไปขุดเราแผ่นดิน เป็นของหนักแน่นอย่างนั้นจิตใจของท่านผูกภาวนาก็ต้องเป็นคนหนักแน่นอย่างนั้นต่อสู้ทวนทานจริงจังเกิความมุ่งหวังอัดหักเมื่อเห็นหรือแล้วเลือดได้บ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงจังเรื่องของธาตุผมคือธาตุปินน้ำไฟลมพวกเหล่านี้เพราะ ม, ามีอาคติเราะมาอยู่ในอำนาจของใคร ก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาแล้วก็เคยไม่เคยรักเคยชอบไม่เคยเบียดชังใครอยู่ตามเรื่องของเขาผู้ลุ่มหลงคือใครที่เจรณาให้เห็นให้รู้จิตไปติดไปขวางไปชอบไปชมต่า ง, างๆนี่เป็นอุบายอย่างที่ปัารนาคือพิจารณาจิตใจของตัวเอง โดอุบายต่างๆปัญญาจะเกิดขึ้นเห็นขึ้นความสว่างสวายของจิตของใจเมืเ่อแจกไขอะไรได้ก็เบาสบายไปเมืเ่อแจกไขหมดมันก็ค้างเท่านั้นเรื่องสมมติการแจกไขก็เหมือนกันกับเราดื้บ้านดื้เรียนของเราถอนตัวนั้นถอนตะปูตัวนี้ออกจากกันมันไม่อยู่ที่มันเกาะกันอยู่เพราะ มี น, อนม็อตมีตะปูปลูกมัดมันไว้จิตใจของพวกเราแข่นติดมันยึดมั่นเือมันส่วนนั้นส่วนนี้ก็คือเรื่องของกิเลีตัณหาของสมมุติต่างๆแต่นั้นการพิจารณากายการจึ่งให้พิจารณาให้แยกทายโด อ, อุบายต่างๆจะพิจรารณาเรื่องน้ําเรื่องดินต่างๆที่ สรรสอนเอาไว้อาการสามสิบสองพิจรารณาออกไวให้เห็นตามเป็นจริงหรือจะพิจรารณาอสุธาอสุฟังพิจรารณาความต า, ตายใ ห, มมหม้มันเห็นแล้วกเขาโดยไฟตั้งขึ้นใหม่สมุดขึ้นกําหนดขึ้นมันเป็นมันเห็นมันรู้ไม่ใช่ความตุ่มเดาขาดฝันใจิตใจของท่านจริเห็นที่เป็นอย่างนั้นมันเป็นจริงๆ สันจึงละจึงถอนทำยึดถือต่างๆได้ละเมือ่อถอนออกทุกสิ่งทุกอย่างจบหัางลงคนะสมมติอยู่ไม่ได้เหมือนบ้านถอนน็อตถอนตะปูตัวออกแล้วเขาที่ฟังอยู่บพุหดร่วมลงไปอนะันนี้อะไรเป็นบ้านมันพังไปหมด ก็มุว่ายิงหลายชายไ่ะส่เราบุคคนก็ ค, ค, คือมันประกอบกันเข่าหาแล้วแยกส่วนออกไปไม่มีอะไรเป็นตัดเป็นบุคคลการพิจารนาเพื่อรัมะทิจะไดามาพ น, นองนี้เพื่อจะถอดถอนความยึดมัน่มน ต, ต้างการหมายแลายิงหลายชายวละหนุ่มใบแจ่ต่างๆยึดยิดถือก็จะไป ละถอยวางขอดถอยพรอนตัวออกไปเพราะไม่มีอะไรเป็นตัดเป็นบุคคลเป็นยิงเป็นชายถ้ามันเห็นประจากษา์ชัดเจนอย่างนั้นใจมันจะไปกำหนดยินดีชอบขอดมันก็จะต้องขอดขรอนเข้ามานี่มันไม่เห็นอย่างนั้นมันสําคัญว่าเป็นตัดเป็นบุคคลอยู่เพราะปัญญายังไหงออาไปถึงยิงจัง เพียงแต่สัญญาพูดจา ก, กันไปเท่านั้นปัญญาไปเห็นจริงจังแจ้งประจักษ์ในจิตละได้ถอนได้วางได้ปล่อยได้บายสอนใจมนะันมีหลายในแต่ใ จ, ใจที่จะไปดูเห็นเป็นจริงอย่างนั้นจะต้องมีสมาธิคือความหนักแน่นของใจ ความสงบของใจถึงแม้ว่าจะฟังเพจฟังธรรมอยู่แต่เคย ร, รวมมาก่อนตอนฟังอยู่นั้นพิจนารณาอยู่นั้นสมาธิศีนปัญญามันเป็นอันเดียวกันติดกันไปเห็นไหมจะทาสมาธิจะทําศีนทําปัญญาทั้งไหนเป็นอย่างนะเหมือนกันกันกบแกงที่เรารวมไป่ในหมอ้อรสชาติมันเป็นอย่างไร เราก็จะทราบอะไรบ้างหรออยู่ในแกงมีเกลือมีนัำปลาเนื้อหักต่างๆจะรวมแล้วเป็น แ, งนแกงห้แยกออกแยกๆแลมันแกงแต่ในหมอ้อเป็นอันเดียวกันแล้วนี่จิตใจที่รวมเข้าไปทีนี้พิจรารณาศีลของเรากับบริสุทธิ์เพราะการรักษากายวายจากายวายจาของเราไม่ได้ไป ทำอะไรบริทุตุดอยู่แล้วจิตก็นิ่งแน่อยู่แล้วในการพิจารณาปัญญาจิพิจารณาก็เป็นปัญญาที่จะละจะถอนอยู่แล้วพร้อมกันยากมาัคคะขามาักคีมีอยู่ในจิต ด, ดวงเดียวรวมลวมไปอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น การทจานณาอะไรก่อนแกมใสชัดเจนเห็นประจับไปตึึ่งคนวณึงอสนาโค้เราจะเอาจีนของเราบริสุธหรือใหม่หรือเป็นอย่างไรคิดใส่จึงเรื่องจีนยังสมาธิอยู่มักลุมกันม่ดด้เหมือนเรายังไม่แกมอันหนึ่งอยู่งอันนึ่งอันหนึ่งเรื่่อมแกงยังไม่ได้ดา ของใจและสิ่งแต่ละอย่างต่อไปพนเราลดละชาติยังไม่รวมกันการที่เจริญนาคทำมีรวมกันเขา้าหอดถอนกิเลสตัณหาก็คือศีนสมาธิปัญญารวมกันเป็นมรรคสามองค์ทสามารถที่จะกาจัดความหลุ่มหลงต่างๆ่าความเผิดเพลินต่างๆความกิดข้องต่างต่า ง, า ง, า ง, างออกจากจิตจใจได้ทํากิตทำจิตคงตนที่เคยเหมึดมนัน เสาม้อให้สว่างสวยคับไล่เสียงกิเลสตัณหาที่เคยนําพาจิตใจให้หลุมหลงตกออกการเจริญนาทีทํามามารวมกันเป็นอย่างนั้น๋ยวเรายังไม่เป็นอย่างนั้นยังไม่เห็นอย่างนั้นเรฝึกอบรมไปให้เหลือพิสัย เพาะอะไรทุงส่วนมีครบบอบคอบริลีบูลในตัวของเราไม่มีอะไรบกพร่องท้าไม่นี้เรื่องวิเลตัญหาไม่มีข่าสึกแลต่เอาใจชนะแจกที่ไหนอะไรที่มันยึดมันถือมันติดมันคล้องอันนั้นแหละเป็นข่าสึกหองใจเราจะต่อสู้ที่จะณาแก้ไขจะเอาใจชาะนะจากข่าสึกส่วนนี้เราสองลบ น่าลบไม่ต็มาลบพอไปโดนพ อ, ของคงขู่นิดหน่อยเจ็บปวดนิดหน่อยเอาลนะวันลังเอาใหม่ไปที่หลังไปเจอหนะ้าเขาค่อยอีลบอีก็ไม่มีเวลาที่จะได้ลบจะดิดเหตุกน้าจับเกิดเหตัณหาจากขาดศึกของใจทาการที่เรนาต่อสู้้าเป็นลุกจิของพูดได้จ้าไอตอยหลังตายพวกนให้ตายในสงตาม มันจะได้เกี่ยวเป็นทหารีผกล้ากตายดาบหน้าในตรงตายดาบหลังบุกเรื่อยไปในตายก็จะได้ตายชนะทหารผดีต้องเป็นอย่างนั้นนักภาวนาดีก็เหมือนกันเข้าไปถูกทาำเก็บปวดเหนื่อยๆนิดหน่อยโกรธแค่ปัญชีตื่นตัวได้เกิดต้องใส่ เป็นยังไงว่ะตนะบา ร, รมีของเราเป็นนี่มัม้งทำมาหลายปีหลายเดือนแล้วยังไม่เห็นอะไรดีเด่นอศัศจรรย์บอกไ้กลัวเรื่องชีเลตตัญหาการทิพยนิดนิดหน่อยๆก็หลบเสียมันจะได้อะไรคนแมกกะต่อสู้จริงจังเราได้ยินดนีฟังพระพุทธเจา้าทำมาอย่างไรขันหมอบ ก, กายสวายตัวทำจริงจริงจังจ จริงดุควรไปจาดกิเลสตัญหาท่านตัณต่างๆบารมีมาเพียงพอบอริบูรณ์ท่านก็จะต้องมีควาเมเหมน็ดเหนื่อยมีมารมารบปวนเหมือนกันพวกเราท่านไมมีปัญญาตายานอย่างนั้นพวกเราเคยมีบารมีเพียงพอบอริบูรณ์หรือไม่ก็ได้เกิดสงสัยท่านมีอะไรตาหูจมูกลิ้นตายใจเหมือนกันกับพวกเราเหมือนใจหรือเราจะไป สงสัยอะไรเรามีก็พอบริบลูลทุกอย่างเหมือนกันสักทัดกำหนดพิจารณาต่อสู้ดูจิตใจีิจะไปหมันไม้ต่างๆมันจะออกแหน่ไหนมุมไหนเอาเปัญญาแนะสอนเอาไว้ไม่ห้ใจรวงจิตตั้มหนีตัวเยนาารามะแนะสอน บอกจิตใจให้สะอาดหาเราทำไม่ได้เราไม่เห็นไม่เป็นก็จะไม่เชื่อใครเพรใจไม่เห็นไม่เป็นถึงคนอื่นกูเห็นเป็นมาบอกเล่าชักชวนก็ไม่ยินดีอยอมใส่ไม่มีความพอใจอยากจะทำมันเหมือนมีปินบังดังนั้นคนสมัยปัจจุบันซึ่งไมเชื่อว่ามีพระอหรหันต์อหรหันต์ผู้ดีิเศ ต, ตาเข้าไมมีก็จะไ้มองเห็นอะไรก็เลยไม่เชื่อในจิดในใจแบบบุญคุณโทษต่างๆไม่มียิ่งสมัยปัจจุบันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เพราะเหมืนห่างจากจการต้องปฏิบัติกายใจทางาศาสนาแล้วจะได้รับรสชาติของาศาสนาอย่างไรเพราะการสนใจไม่มีผู้แนะสอนก็ไม่่อยจะมีการแนะสอน ทั ăn, ch ch ây, ây t t ้งไม่ได้ฟังทั้งไม่ได้คิดจากตัวเองก็เลยห่างไกลไปใหญ่หรืสงสัยอย่างศาสนาเป็นของพื่อของหลาสมไหมคนทวัดทว่าศึกษาศาสนาเป็นคนแฉความนึกคิดของเด็กสมัยปัจจุบันมากจากเป็นในแบบนั้นจะสนใจในอัตชั่ มีน้อยเพราะกุ่ยใหญ่ที่จะไปแน่ชสอนตัวแม่ค่อยมีเกิดเพลินงแต่เอง้องโลกเรื่องของอัดองทำจริงจังไม่ค่อยเอาใจสวันเขาวันอาทิตย์เป็นวันว่างจากการแต่งงานไปเด่นไปเพินส่วนอื่นเทียบจะมาฟังเทตั้งทอบรมจิตใจทำรัสาสังทำเสมเข้าใจไม่ค่อยมี เลยคือว่าเรื่องของโลกเป็นเรื่องสนุกสุขสบายเห็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องดีเมื่อดีแล้วก็ละไม่ได้เพราะยังติดในความดีของตัวอยู่ยังหาสุขจา ก, กโลกได้อยู่นี่พวกผู้เจกลางเป็นอย่างนั้น <c oughs> ทั้งที่เป็นกษัตริย์ไม่ได้ติดในข้องในส่วนเหล่านั้นติดดูพุทธประวัติก่อนจะเสด็จกิเนศร์กรมของมรณาสา พอเปิดาานั่ออกมานักสนมจังนวนมากคี่นอนหลับเฝ้าอยู่นะท่านเห็นเป็นสายชาร์ตพิดตไม่เห็นเป็นคนธรรมดาก็จิตทุกท่านทิ่ขณะปกติจิตที่ไิ่ยังคงผี่ธรรมดาอยู่เห็นคนก็เป็นคนเห็นวสวยกว่าสวยตามเรื่องของพีเดตตันหานี่จิต ทิศเข้าไปภายในเห็นว่าเป็นสายช้าผีดิบพกคนจะตายอยู่ทั้งหมดที่นอนอยู่นี่ไม่มีใครที่จะเบื่อหรอจะไม่ใช่สายช้าอย่างไรทำแบบผีบอกคือของผี่ใหมดีใม่งามเพราะอะไรมันงามอยู่ในกายของเราเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นท่านพิจารณาอย่างนั้นท่านจึงเบื่อเห็น การสาราสว่างเป็นเพลนเป็นไปตรงนี้ไปนะอัดหาคําเสือ่อสงบระงับจิตใจจึงตัดผ้าไทยแมลาใคร ข, ขโมยอยู่ในตอนตัางหรือจิตใจของการเห็นเป็นอย่างนั้นพวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นเห็นเท่าไรก็ม่มีการเบื่อในการดูในฟังเท่าไรก็ม่มีการเบื่อในเสียงที่ชอบ จับจายกิเลสมันผูกมัดดึงดูดอยู่ทุกวันทุกเวลาเพราะเมืนน่อเพิจารณาอักธรรมทำเป็นแจกรเรื่องแจกไขกิเลสทำไขคิดติตข้องต่างๆแต่เราพิจารณาทำวจโามาสอนใจทาเสื่อเพลินวัวพันในเรื่องของโลกเบาไปสบายไปไม่หงไม่หลงนั่น้่ะิ จริงทีโลกของเขาหลงแต่จิตของู u d d h a จิตทำไม่หลงอย่างเขาเพิดเพลินยินดี่ำทั้งเวทหลดใจอย่างอาคารพรโทั้งสองอุปติสสะนาลีบุอุโุริตะหมกลังไปดูบงหงะตกทุกวันเคยเพิดเพลินทันฐานต่างๆแต่ขณะจิตวันนั้นไปดูไม่เหมือนทุกวัน ดูแล้วคิดไปเอ๊ะเหนียค้นมันมาเล่นมาเพลินฐานอันฐานนี้ในใช่อันอื่นแล้วทั้งคนเล่นคนดูอยู่ในนี้จํานวนมากขนาดนี้ไม่ถึงร้อยปีก็จะต้องตายกันเกลี้ยงไม่มีใครเหลือหรอกเราจะมาคิดเพเพลินทําไมในเรื่องเหล่านี้พราะจิตคิดได้เรื่องเหล่านี้คิดขึ้นจากตัวเองสอนตัวเองอย่างก็เลยหมดตามสนุกเพลิดเพลิน ชวนกันออกทั้งสองจิดเหมือนกันไม่มีการสนุกเหมือนทุกวันที่เคยไปดูหาทางต่เพื่อปฏิบัติจิตใจให้ฝนก็อยู่ก็จะเป็นทุกอย่างมันเกิดขึ้นเก็นขึ้นในจิตในใจใใจเรา ม, มันจะหลงเลื่อยไปทา่าอาศัยธรรมเดินแสงสว่างสองทางจิตใจที่เคยลุ่มหลงจะวอก มาทางมาัดที่เคยไปทางโลกก็เจ็บตับตรงกันข้าหันก็มาทางขำมีดยอมากมันไแ่เด็คิดบอกกับส่งน่อกออกไปเหยี่ยงไกลเหมือนเหยี่ยงตามเงาธรมมาของพูทใเจ้าโอปปณะยิโกน้อมเข้ามาภายในของตัวเดตรงออกไปทางน่อ อางพระพุทธเจ้าเห็นคนแจ็กคน้องมาสอนตัวว่าเราก็จะต้องแก่เห็นคนเจ็บเราก็จะต้องเจ็บเห็นคนตายเราก็จะต้องตายพระพุทธเจ้าถันนำมาสอนตัวเขาขนาดนีเห็นสมณะถันนำทำท่าศอกจานสมาบัติถันคงจะได้ความสุขความสบายท่านองค์นี้ไม่ได้เกี่ยวต้องกับใครเจนะอัดทำแจ่มใสวีเด่น การกังวลเรื <Gym. S 1> ่องอื่นความสุขคงจะมีอยู่ในจุดนี้เกิดเลือกไหญเกิดอยากออกบวชก่อนที่จะจะดินออกบวชเช่นอย่างนั้นแต่จิงว่าเทวทูตผู้ผู้บอกอย่างเทวดาบอกของจริงความเจ็บควาเก็บความตายมันของจริงไม่ใช่ของเล่นแต่๋ยวเห็นเป็นไทยผมจะจับเห็น ว่าเขาบอกแบบเทวดาถ้ามันมีส่วนเหล่านี้ใครเล่าจะคิดหนีจากโลกจากสา้วมใส่ก็บเจ้าตัยินดีเผลอเพลินในเพาราะจัดของตนหลักแน่นต่อไปขนาดนี้มันมีถึงกจะเผลอจะเพลินจะสนุกขนาดไหนความเจ็ก็ไม่เคยเวยนะถึงเวลากว่าเจ็ไปความเจ็บก็เหมือนกันจะรักษาอยู่ขนาดไหนก็ยังมีเก็บมีไข้ ไม่อย่างนั้นก็ ม, มีตานันนี้เป็นเรืเ่องขออริยสัจของจริงเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสัจไม่มีโกหกพวกลมไทรสมัยได้กว่าตามนิทยาศาสตร์จะ ก, ก้าวหน้าขนาดไหนจะแก้ไขอริยสัจของพระพุทธเจ้าแก้ไขไม่ได้ยิ่งอย่างไรก็คงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้นใครจะกลาดเสียบแหลมมาจากที่ไหนก็มา จะทำเสื่องบินหรือจะรั่วเจ้าเทียมอะไรทีไปเถอะที่นี้ความตายจะไปโลกไหนโลกอาจารยร์ไปอังคารก็ไปเถอะก็จะต้องตายอยู่นั่นทุกข์แล้วติดตามไปไหมจะต้องติดตามไปอีกก็จะไปคิตใดทางไหนทุกคนจะต้องติดตามไปถ้าจิตใจไหมแก่ไขพิจารณาเห็นตามเป็นจริงแล้วคนนั่นจะทุกข์ตลอดไป ในสิ่ที่เขาไม่สมหวังสมบาดธนาของเขาเห็นพระพุทธเจ้าขันเห็นเป็นจริงขันจริงว่าเป็นอริยสัจอย่างนี้ไปคิดได้ทางใดตัว น, นี้ไม่ได้นอกจากจาที่เจอนาเอาปัญญาแก้ไขให้เห็นตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางตามสภาวะผองมันมันเป็นอย่างไรเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นไม่ยึดมั่นพัวพันลุ่มหลงไหม ปลูกในเสียงในกลิ่นในรถในสัมผัสต่างๆวางได้ปลอยได้แต่คือว่าการอยู่ปา่าอยู่สงบพิเวกเป็นที่เยือกเย็นเป็นที่สบายเป็นที่ของพระโยาคาวจรคือผลู้ต่างหน้าต่างตาเพื่อปฏิบัติเพื่อจะข้ามพ้นไปจากวัตฏสงสารปุจิมุ่ง มั่นในการปฏิบัติอาจทธรรมจะต้องแสวงหาที่สงบสงัดปฏิบัติสะดวก